สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวนเนอร์ก้าสกาต่อมาครับเรื่องที่บอกว่าไม่น่าจะรู้คุณคิงอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตาของเพื่อนครับผมได้มีโอกาสไปขอให้คุณตาท่านนี้เขาทำยาแก้ไ่นันให้อืแบ<ต>บะบับสูตรของโบราณ ซึ่งแกจะให้ทําเป็นแบบเหมือนบุหรี่สูบอะแต่ผมว่าผมไม่สูบบุรี่ออืแต่ก็เลยว่างั้นจะทําเป็นยาเคี้ยวแล้วยาในทิศเองคนได้ว่าะมันขมหน่อยนะครับแกก็ทํำมาให้เพราขมขมจริงอะแล้วลมันก็ได้ผลแบบแยกได้ผลมากไซนัท ม, ม, มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าอ่าเป่าเข้าจมูกเงี่คือยาเคี้ยวเลยเหรอ ให้พ่แจ็คเพราะในขณะที่เราเคี้ยวอันนี้ขอนิดยนึงนะครับอวิญญาณยาโบราณที่มีสูตรตำลักตำาเนี่ยเขาต้มีการไหว้พระไหวอะไรในการทําด้วยเนี่ยอืเชื่อไหมว่าผมกัดเข้ามาในปากเขาเนี่ยพี่แจมันแตกมันมันเป็นแบบมันอยู่ในปากเราที่มันคมอ่ะแต่ไอความเย็นวัดสมคมคมเหมือนกับเราอมอเหมือนเราอมไอเนี่ยที่มันแก้เจ็บคออ่าอ่าอ่าออนั่นแหละเพนั้นมันอย่างนั้นนะแล้วมันจะเย็นในบริเวณรอบรอบปากต่อด้วยอะขึ้นไปถึงโคนจมูก โอโหคือถ้าเป็นยาขมสําหรับผมนี่ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะผมผมอาเจียนทันทีผมผมโรคจิตผมกินยาเม็ดขมๆโดนลิ้นยังไม่ได้เลยคือจะกินยาเนี่ยต้องแบบอมน้ําแล้วกอกยาเข้าไปในคอเลยอะ่ะเออผมโดนโดนลิ้นโดนปากไม่ได้อาเจียนทันทีฮะไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรก็ไม่รู้ผมอะ่ะกินยาย า, ยาก S <S มันก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นปกติเะนะแทเขาขนาดที่ผมเคีย้ยวผมก็ผิอดอิสระอมเหมนแต่เราเราอยากหายไงเพราะว่ามันเป็นอาการตั้งแต่สมัยที่ที่ผ ม, มผมผมเด็กๆด็อะตอะ น, นเด็กตอนนี้เราเราส่งตัวเราเองเรียนใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีพวกมวยวัดมวย อ, อะไรเงี้ยเราก็อยากได้ตังค์อะเราก็ต่อแีกละตอนนี้นมันมีเลือดแข่งตรงจมูกพี่จังลองเอานิ้วนิ้วชี้ไปท่าตรงจมูกพี่อย่าท่าใดท่าหนึ่งก็ได้คิดดูว่าเลือดมันแั่งแล้วมันวมขึ้นไปบังตาผมขนาดนั้นอื แล้วเขาก็เอาที่สวนตุ้เด็กอะเอามาดูดเอาเออกอะเรืองแต่ตั้งแต่นั้นผมก็เป็นมาตลอดเลยครับก็เลยไปขอยาตัวนี้แล้วก็ไปได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาใช่ครับเออเออเออทีนี้พอเรานั่งคุ ย, ยกันแกก็เริ่มเล่าเรื่องนู่นี้นั่นให้ฟังครับเรื่องสิ่งลับที่เราไม่รู้อจะมีเยอะเยดี๋ยวรังไล่ฟ่อแต่เรื่องเนี้ยผมรู้สึกติดใจคือคุณตาบอกว่าขอนที่จะมีคนยอมรับแกอย่างลู่วันเนี่นะเในละแวกหมู่บ้านที่ผมไปใหม่ เขายอมรับแกหมดเตอนหน้าที่มีคนยอมรับกนเนี่ะส ม, มัยนั้นแกหนุ่มๆแตเป็นทหารนะครับแต่ก็ยังเป็นหนุ่มๆอย่าเนี้ยแล้วไปงานบวดของเพื่อนลูกที่ของลูกลูกสาวอะ่ะแค่มีคนมีเามีงานบวนกันแต่แกก็ได้รับเชิญไปด้วยมือนก็เป็นพอเพื่อนแกก็ไปในขณะที่คนเต็งานเลยแกก็่ายของป ก, กติจะไม่นสนใจแลว แ, แกไม่เคยบอกใครเลยว่าแกเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นประ จ, จักตังค์ง พูดมากไปคนก็ด่เาเป็นบ้าร่างอะไรบ้างเงี้ยแกมองไปทางมุมหนึ่งของงานที่แกมีความรู้สึกว่ามุมนี้ทำไม ม, ม, มันมองไปแล้วมันไม่สบายตาเลยวะ่ะ ม, มองใจมีคนนั่งอยู่ประมาณห้าหกจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนเดียวในห้าหกคนนะ่ะนะผู้หญิงคนนั้นก็ชมเชยมองใจเหมือนแบบเหมือแนบบคนกลัวพิจารณ์นึกภาพคนกลัวออกไหมนึกออกสับตาบแล้วก็หลบสตาแล้วลก็หลบสัตาแล้วลก็หลบแกแค่มองอื ขอโทษนะครับอันนี้ความคิดของแกคนแก่นะแกยินอืมที่นี่มีพิรุษแกคิดอย่างเงี้ยนะอืมอืมแล้วตัวเกเองอ่ะแกแกก็ไม่ใช่เป็นแบบเป็นทหารที่แบบไปไล่ตรวจชาวบ้านหรือเป็นตำรวจอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นพิรุษมันก็ต้องไม่ใช่เรื่องปกติแกเป็นคนซื้ของเงี่ยแกก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องพวกนี้ทีมนี่จากที่แกศึกษามาแกก็เลยพยายามพยายามดูว่าวิธีมียังไงบ้างในใจในทุกอย่างเลย จนจับปิดผู้หญิงคนนี้ได้คือผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในพุ่มไม้หายไปแล้วหลบไปเลยอแกก็นั่งเพง่งเพ่งแล้วแกับเหมือนจะขอขอครูบาอาจารยว่าให้ผู้หญิงคนนี้แสดงอะไรออกมาได้ให้แกรู้ว่าเนี่ยมันต้องมีอะไริดปกติในฐานะของเรื่องของวิญญาณทิ่แกจะมั่นใจก่อนที่แกจะทำอะไรลงไปเพราะถ้าแกทำอะไรลงไปแกจะอายคนมากเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องสิ่งเหล่เนี้ปรากฏว่าผู้หญิงที่หายเข้าไปในพุ้งไม้เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มีผู้หญิงคนหนึ่ง ลุกครวดออกมาจะวิ่งหนีออกจากพุ่มไม้อะ่ะวิ่งออกมาแล้วเราเหมือนบเตัวเร ว, วิง่งไปในพุ่มไม้ใหม่จากผู้หญิงที่ลุกออกมาจากพุ่มไม้นั่นแหะไม่ได้แต่งเัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแ ต, แต่แต่งตัวเหมือนคนทรงชุดไทยอะ่ะเหมือนลุกมาเป็นคนคนเดียวกันแต่เป็นคนละคนอะ่ะลุกมาลุกแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมแล้วลุกออกพรวดมีทีนึงถึงคนเดิมอ่วนี่เป็นชาวบ้านคนปกติแหละเดินหนีไปแ่ก็เลยไปนั่งนั่งกลางงาน เรื่องนี้เอ่อจะบอกว่าถึงขนาดลูกสาวแค่นั้นแค่ชี้ให้ดูมันก็เป็นรื่นป้าแล้วอืาอายชาวบ้านเขาหมดพ่อมานั่งทำอะไรเนี่ยคนะแย่ๆอายเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่พูดเลยตั้งใจกำลังไว้ทำคาถาอยู่ครจนในที่สุ อ, อยู่ดีเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรงร้องขึ้นมากีติกีขึ้นมาดังร้านงานเลยครับโอ้ยกลัวแล้กลัวแล้กลัวแล้วนะทีนี้นคนที่เป็นกลัวแก่ก็ มหามหาภูตาคเนะี้เขาเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันอืมเขาก็บอกเฮ้ยเมียภูเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ภูตาอัานนี้ก็ไม่พูดนะไม่พูดบริกรรมคาถาอยู่เขาก็เลยก้มมองก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเมียเขาเป็นในขณะที่เพื่อนเขากำลังปริกรรมคาถาเขาก็มองภูตาเขาก็ยกมือขึ้นเหมือนแบบเดือดแบบนึงจนเขาท่องเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนูนก็ร้องวีบ ด, ดังสนั่นเลยนะเขาก็เลยถามบอกเอ๊ะ hey, มบอกว่ามันรู้เรื่องพวกนี้ดีไงมูอยู่กับเมียมันไม่รู้หรอวเมียมันเป็นอะไรไม่รู้เียนตัวผีข้ารู้เปอ่เ้ยมีเราเป็นไปไม่ได้เป็นผีข้าวก็ต้องรู้ดินอยู่กับนทุกวันมันก็มีดีเหมือนกันรนี้น่เมื่อคุยข่มคุยทากันบวงาเดียวมึงไปดูแล้วกันมึงจะทำอะไรให้ดแกกะท่องอีพอท่องอีกก็เป็นเสียงวีดีวี่ดดังไหม อย่ามายุ่กับกูกูมาอยู่เฉยๆกูไม่ได้มาทำอะไรกูแค่มาขออยู่เฉยๆก็มันลืมกูกันกูก็มาอยู่ด้วยแต่กูก็ไม่ได้เบียดเบียนอะไรและกูก็ไม่ได้เอาใครตายาวา ย, อย่อย่างเงี้ยกระลำรักอย่างเงี้ยจนเพื่อนแกคนนี้ที่เป็นสามีของผู้หญิงคนั้นเดินบอกไอ้ก hey, ูเชื่อมงะพอเขาสายเมียกูเาเยบอกงั้นเอเงียล้อมมันไว้ไม่ต้องทำเป็นอะไรกูจะเอาจมันออกก็ได้แล้วเอาเมียมึงกลับมาเพื่อนเขาเลยถามมันแล้วมึงรู้ไหม พวกใครที่มาเข้าเมียกูออืก่อนที่มึงจะถามกูอันนี้คุณตาถามกลับเลยมึงไปดูเสาเรือนมึงก่อนให้ความมั่นใจอครั้งว่าเสาเรือนมึงเป็นยังไงอือกปอกเปลือกหมดหรือเปล่าแล้วไปดูที่มือเมียมึงได้ว่าเล็บมันมีอยู่ไหบพอคนแล้วเขาไปดูคือแบบผู้หญิงคนนี้ไม่มีเล็บนิ้วมือติดติดนิ้วเลยไม่ม่ติดนิ้วเลยมันถือว่าเล็บหลุดไปหมดเลยเหรอใช่ครับอุ้ยอือบอกเขาไม่เคยสังเกตเมียเขาเลยนะไม่เคยสังเกตเลยแล้วเขาก็ไปฟังคุณตากัาเนี่ยแล้วเขาก็เดินกลับไปดูบ้านเขา ขึนไม่ไกลจากงานบวชมากคเลยสาเรือที่ทะเลาะตอกเตอร์หมดเลยออืเป็นเมียของเขาตะกุยทุกวันแหะตะกุยอย่างขึ้นบ้านทุกวันเขาบอกแล้วเมียกึลงมาทาอะไรไม่รู้ข้างล่างบ้านเนี่ยมันจะต้องมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กจะแก๊กจะแก๊กจะแก๊กทุกวันเลยครับุณตาเ้าบอกว่าก็งออย่างนี้ไงมึงถึงได้ไม่รู้ไงเมียมึงโดนผีเข้าเวลามันอยู่ข้างล่างบ้านเน่ะผีเข้าเมียมึงแต่เวลามันจะขึ้นบ้านมันขึ้นไม่ได้มันลาใส่ล่างเมียมึงกับตะกุยจนมันเหนื่อยแล้วมันเลยปล่อยให้เมียมึงขึ้นนบ้าาตัวเปล่ แล้วมันได้แปะไปด้วยอืมครับครับตะกุยจะเข้าห้องนอนทุกวันมังไม่รู้เหรออือเอ้ยแล้วกูไปทาอะไรผิดเขาก็บอกก่อนจะพูดจะโน้ตไปทาอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวมันดูอะไรนี่ครับแกก็ตะโกนไปบอกคนทั้งสั่งแล้วบอกไอ้คนทั้งตะวันออกเนี่ยทีหายถึงคนนี้านั่งมันอยู่นะลุกไม่หมดเลยทไมอยากโดนลูกลงล่ะลุกออกแงให้หมดเลยแกบอกเียบสารับตะหมดเลยเระคนเาพูดแค่นั้นแหะคนแหวกกันหมดเลยครับเขาพูดเงียบสำรับจิงกันหมดเลยแล้วแกก็เริ่มเป่า เป่าที่ผู้หญิงคนเนี้บอกไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วผู้หญิงคนนีไ้ไงายท้องเกิดเหมือนแบบเหมือนลมวนลมหมุนเล็กๆที่เด็กเคยเห็นใช่ไหมเคยอ่ะเหมือนอย่างนั้นอ่ะใจวนจากตรงจุดนั้นอ่ะเข้าไปวนสํำลับกับข้าววนอยู่สำลับกับข้าวอยู่นั้นอ่ะวนแล้วไปชนหน้าต่ากจนประตูออกไม่ได้ครับวนไปวนมาจนใจพูดว่าเออเดี๋ยวกูให้เขาจัดสำลับกับข้าวให้มูไปเถอะลมนั้นก็หายแับแตกหายไปเลยค แล้วก็บอกกับเจ้าของร้านแล้วเมื่าแต่แลาเอาข้าวไปร้านให้มันนอกบ้านเยอทีนี้ก็มาหาสาเหตุจะน่าเป็นเพราะอะไรอือืมอืมอืมจะจะเป็นคนเริ่มเชื่อเลยนะแต่คนหนุ่มคนหนึ่งที่ใส่ถือของแล้วไม่เคบอกใครเนี่ยบางคนก็ถามว่าแกบ้าถ้ารู้บ้างก็หามว่าแกบ้าอย่้เงี้ยคนก็เริ่มถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าไอ้เกิดอะไรขึ้น่ะปุก็ไม่รู้แม่ชัดหรอกแต่มึงต้องไปดูที่ใต้บ้านมึงเพราะมันตะปุอยู่ใต้บ้านเหมือนใต้เรือนมึงเขาก็ไปดูดูดูดูมันมีการดีดบ้านที่จะเป็นรอยเสาเก่ากับเสาใหม่ค แล้วทีนี้มีการดีด บ, บ้านขึ้นมาอมตอนในขณะที่มีการดีด บ, บ้านขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งเสาเนี่ยอ่มอมันมีชาติสารเพียงตาสารละกูมเก่าๆอ่ะอที่ที่มังหักแลาวทีนี้ว่าคนงานที่เขาก่อสร้างเขาก็ไม่ได้สนใจเนึ่งว่านื่ว่าเป็นสารที่ไม่ใช้แล้วนะอ่ะ เพรวเอาเสาเนี่ยขุดหลุมลงเทตินเสาเสร็จปู๊ก็ทำแล้วก็ดิบบ้านขึ้นไปแต่ดิบได้เแล้วก็ต่อบ้านที่ดิบข้างไว้ดิเ อ, เอาเอาลงมาแล้วก็ not, ล็อกน็อตล้วกอะเสร็จเอายินถมพับตรงนั้นตอนนั้นไม่สาดรั้วภูงเก่าแ ล, แล้วตรงที่เป็นรอยสายรั้วภูงเก่าล่ะเสาต้นนั้นน่ยจะเป็นรอยตะกุยเยอะที่สุดตั้งแต่โคนเสาขึ้นไปถึง ข, ข, ข, ขึ้นเรือนเลยใต้ข้องเรือนเลยค้องเรือนหมดแล้วคุณจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ยังไงแล้วต่อไปถ้ามีภูมิของบ้านมาไม่เข้าอีกแบอ ว่ามันเอามึงอีกแน่มันต้องั้งศาลใหม่ให้ครับ<อ>พอตั้งศาลใหม่ให้เา้าเขาก็ไม่เมเอาะอะไรแล้วนะเขาก็มาเข้าศาลบอกว่าขอโทษที่ทํามาทุกอยากนะ่างก็แค่อดอยากเท่านั้นแหละอืมแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดกเสยนะอ๋อคือทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแค่อดอยากใช่แต่มาอาศัยแฝงร่างในการหาของกินว่ายอย่างนั้นเถอะใช่ใช่ครับอู้หู ุแต่พี่แจ็คเอรื่องนึงที่ผมถามคุณปาว่าแล้วทําไมต้อนประตูเร่านอือคุณปาบอกรอเลยคุณตาบอกว่านั่นแหละมันโกหกจริงจริงมันจะเอาขึ้นไปเอามันจะขึ้นไปชนบนเรือนตายหมดแต่มันขึ้นไม่ได้บนเรือนเขามีของดีเนี่ยต้องมีตึกอะไรบางอย่างอยู่บนบนบนบ้านเพราว่าผู้ชายวันนี้เขาก็ซื้อของเหมือนกันครับแต่เขาไม่รู้ว่าเมียเขาโดนผีเข้าเขาว่าเมียเขาโดนเข้าเวลาลงข้างล่างบ้านแต่พอขึ้นบนบ้าน่ะผีมันขึ้นไม่ได้ไงอมันต้องออกจากเขาไง แล้วเมียเขาก็ไม่เคยพูดว่าตัวเขาเนี่ยเล็บเล็บหยุดหมดเพราะว่าเหมืนอนกับคนโบราณโบาน่ยเป็อนอยู่ไปมานานเขาก็ไม่เคยคุยกันหรอกเจ็บเนื้อเจ็บตัวป่วยเป่อยเขาไปรักษาที่ตาวิชีไม่ไดาบอกให้แก้ฉันเป็นนั่นถันเป็น น, ป น, นี่เขาไม่ได้พูดอเพื่อจะสังเกตตัเองว่าเมีย เ, เองไม่มีเล็บเลยเอ๋อคือถ้าเราอธิบายกันง่ายๆแบบให้เห็นภาพก็คือผีเนี่ยพยายามที่จะขึ้นบ้านโดยการตะกุยเสาบ้านขึ้นไป แต่ขึ้นบ้านในร่างของแฟนเขานะครับที่เล็บหลุดไปเพราะว่าเป็นการเอานิ้วเนี่ยขูดเสาบ้านแต่พอรู้ว่าตัวเองขึ้นบ้านไม่ได้ผีก็เลยออกแล้วก็ปล่อยให้แฟนขึ้นบ้านไปคนบนบ้านที่เป็นแฟนเขาก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดปกติโอ้โหเฮ้ยแล้ะแลแฟนเขาอ่ะจะต้องขึ้นบ้านดึงดึทุกคืนเลยแล้วตอนคืนเนี่ยไดถึงบ้านเนี่ยจะมืดแล้แจ้งนึภาพเรา คนคนหนึ่งอยู่ในท่าตัดปุยทุกวันจนเล็บหลุดออกจากมือหมดครับเขามีความพยายามและท้าทายกันน่ากลัวขนาดไหนอ๋อโอ้ยโ อ, ยโอยถึงขนาดเล็บหลุดเล็บเล็บถอดถอดเล็บออกมาเนี่ยครับ<า>โอ้มันทรมานนะคือตัวเขาไม่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาเจ็บอะไรด้วยนะการวิถีคนคนต่างจังหวัดครับเราอย่าไปใช้คําว่าคนเมืนนอกดีกว่ากามวิถีค น, ค น, คนต่างจังหวัดกนะ็ ค, นนะคือเขาเจ็บป่วยเขารักษาไปตามวิถีองเนี้ย มีดเมื่อดบาดโดนหนามตามโดนอะไรบาดเขาก็เอายาแปะแป ะ, แปะกลับบ้านมาก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าป่วยไม่ถามเมียไม่ถามก็มไม่พูดอะไรกันภาพเอ อ, อ, อนึกภาพหูเล็บหลุดหมดสิบนิ้วเนี่ยคูไม่ไหวนะ <laughs> ไม่มีเล็บสิบนิ้วเลยเา บ, บอกไม่มีเล็บสิบนิ้วเลยเออั้งสินิ้วข อ, อ, องมุอค่ะค่ะคือมันมีนะคนที่ป่วยแล้วก็ไม่มีเล็บ แตนน่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการป่วยแต่มันเกิดจากการ<ช>ไปตะกุยเสาบ้านซึ่งหลักฐานก็คือเสาบ้านเนี่ยมันเป็นรอยตะกุยใช่ครับโอ้แล้วพี่แบก๊กแค่เราเนี่ยมีอะไรไปแทงจนเล็บเราพับหน่อยรเรายัางร้องรั่นเลยครับครับและนี่ก็ต้องขนาดไหนถึง<ช>ขนาดนั้นนะถูกต้องไอซอกเล็บเนี่ยไปยุ่งกับมันไม่ได้เลยนะมันเป็นจุดที่แบบละเอียดอ่อนที่เจ็บมากนะฮะใช่เออเออเออครับ โอ้โเรื่องของไม่น่าจะรู้นะครับนี่คือสองเรื่องที่คุณคิงไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับยังไม่น่าจะรู้เ<อ>นี่ยก็เพรว่าเขาไม่คิดว่าจะมีใครรู้ไงว่าจะเจอว่าเขาจะมีเข้าไงแต่เขาจะแฝงตวเองคนนี้อยู่ครั บ, รบเออแต่เหมือนกับว่าคุณตาท่านนี้ท่านท่านก็ไม่ธรรมดาอ่ะ็ต อ, อตอนนี้เก้าสิบเก้าสิบ ก้สิบก้าสิบเอ็ดแล้วยังแข็งแรงคุยผมจะต้องพูดด้วยยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดอยู่เลยนะจริงปะคุยคุยแลผมก็ยังเดินถือไม้ท้าอันนึงนะถือว่าถือก็โอ้ไปงี้นแต่ก็ไม่ได้ใจหรอกครับถือไปงั้นถือแล้วไม่ได้คําถือทำไมก็ไม่รู้เนี่ยคนคนคนคนโบราณคนโบราณเขาจะอายุยืนแล้วยิ่งคนโบราณที่เขาดูแลตัวเองดีๆในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาหารการกินนะคุณผู้ฟังนะอยากจะบอกว่าโอ้โห ยังแข็งแรงยังเดินเหินขึ้นบันไดนี่สบายเลยนะฮะเพือเผอเดินแทบเหนื่อยน้อยกว่าคนหนุ่มหนุ่มรุ่นรุ่ น, นอย่างอย่างพวกเราอีกผมว่าแกยังวิ่งได้แต่ผมไม<อ>่ได้เห็นแกวิ่งนะแต่ผมเชื่อว่าจะเห็นจะเห็นสภาพคุณตาแ ก, กเดินนะผมว่าแกยังวิ่งได้อนะ่ะยังเดินเหินขากหินแข็งแรงอยู่เลยอ๋อนะคะเนี่ยคือคือคนโบราณโบราณเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆ นะครับอาหารบางอย่างนี่เขาไม่กินเลยนะแล้วก็เรื่องของเหล้ายาปาปิ้งอะไรพวกนี้เขาไม่แตะเลยนะฮะบอกเขาไม่สูบเขาเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีเด็กครับมาเป็นเพื่อนของลูกอืมบอกว่าเฮ้ยได้ยินเข่าวเขาบอกว่าพ่อมึงกินเหล้าแต่ลูกเขาบอกไอ้ยพ่อกูก็กิอนี่เลยเป็นคนมาพูดว่าพ่อกินเหล้าแล้วคอแข็งด้วยนะครับแกก็เลยมาลองของการเป็นเพ่อนทหารลูกๆเขาเนี้ยมาแล้วบอกพ่ ได้ยินเพราะว่ากินเหล้าเหรอมลูกเขาก็ยังเสียงนะลูกคุณตานี่ก็เสียงบอกพ่คุณไม่กินเหล้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นพ่อผมกินเหล้าไม่เห็นพ่อผ ม, เ, ออมเมาเลยแล้วอยู่ดีคุณตาเนีบ่บอกว่าเออถ้าจะให้กูกินก็ได้แหละออืแต่ถ้ากูกินแล้วเนี่ยกูจะกินไปเท่าไหร่ก็ชนะ่างส่วนที่เหลืออย่างนั้นเนะ่ยมึงอยา ก, กินออืแล้วก็ถามว่าทำไม่แถ้ามึงกินแล้วมึงเมาเดี๋กูต้องอุ้มมึงขึ้นบ้านเลยแหละคนเขาบอกโอ้โหแนววิชาคมก็มีด้วยอะไรลองหน่อย ถึงแกก็เปิเดเบียร์ให้ให้คุณตาเนี่ยดื่มแก้วหนึ่งอันนี้ก็มีพยานอีกคือผมฟังแล้วลูกเขาลูกส า, าวเขาที่มีอายุมากแล้วก็นั่งอยู่ด้วยก็เป็นพยานด้วยดื่มเบียร์ไปแก้วหนึ่งจนเต็มแล้วก็เปิดขวดเหล้ากลมอ่ะเกมาเต็มแก้วกระดกหนึ่งแก้วจ น, นเต็มแล้วก็ยืนอย่างบบนะนไม่มีอาการอะไรแต่วแกก็บอกส่วนที่เหลือไม่ต้องกินนะทำไมโอ้ท่านกินแล้วคุณได้อุ้มคุณขึ้นบ้านแล้วกันนะเขาก็เลย แบบไหนขอลองของพ่อหน่อยในขนาดที่ลูกชายเขาก็ยังแบบงงๆไม่เคยเห็นพ่อดื่มเหล้าเนาะแล้วอยู่ดีพอเพื่อนเขาหันไปกินแควคนละแก้วเองไงพี่แจ๊คอีกคนนึงอ่ะบอกจะไปห้องน้ําอ่ะล้มลงตรงนั้นเลยอีกคนหนึ่งคือแบบอาเจียนอ้วกพุ่งเลยอ่ะต้องได้อุ้มขึ้นไปนอนมันได้พี่ลูกค้าเลยไปถามว่าพ่อทําอะไรกับเพื่อนผมเนี่ยบอกมันอยากรู้ว่าเล่าเมาขนาดไหนคนกินแล้วเมาไหมอ่ะกูก็เลยถ่ายให้มันเนียครับ คูบอกแล้วว่าเมื่อไม่กินถ้ามันไม่กินคูก็เมาแต่ถ้ามันกินมันก็เมาครูไม่เมาไงผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าวิชาอะไรเนีเ่ยผมไม่เได้ยินเหมือนกันค่ะคือต้องบอกว่าในยุคสมัยก่อนนะมันยังมีเรื่องของวิชาอาคมอะไรที่ที่ยังเป็นความลับที่พวกเรายังไม่รู้อีกเยอะนะผมเชื่อนะในสมัยก่อนน ะ, ะโอ้ในสมัยก่อนมันมีแน่นอนครับเรื่องของวิชาอาคมอะไรต่างๆแปลก เรื่องของการทํานู่นทํานี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างว่าครับสมัยนี้มันก็หายไปตามกาลเวลาเออแล้วก็มันก็ไม่ไี้จะสอนใครนะแต่ก็ตัวสอนแต่มันถือที่ได้มันยอกมันเยอะอืมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถือนู่นถือนี่นั่นเยอะนะฮะกดกติกาค่อนข้างที่เยอะใช่แถามเยอะสมมติถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นพูดนั้นเขาไม่ดื่มเขาฟังเขาฟังคุณตายจริงเนี่ยจะเป็นไง แต่เขาบอไอ้เราก็เมาเองอไงดิครับอ่แต่ถ้าเกิดว่ามันดื่มมันล้งเนี่ย <Solar. S 2> มันก็เอาความเมาไปหมดเลยแล้วก็กไม่ไเป็นไรอ๋ออนะเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เรื่องของคนโบราณคนสมัยก่อนนะที่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนว่าเรื่องของการดูแลตัวเองและที่สํคาคัญคือเรื่องของสภาพอากาศด้วยวอ่ะยิ่งกับย้อนกลับไปในสมัยโบราณนะผมเชื่อว่าอากาศมันยังคงบริสุทธิ์อยู่ แต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับต่อให้เป็นต่างจังหวัดนี่เรื่องของมลพิษต่างๆอะไรต่างๆมันก็ทํร้ายทําร้ายนะครับร่างกายเราได้เหมือนกันต่อให้เราแบบดูแลร่างกายดีขนาดไหนโอ๊ยเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบอาหารการกินดูแลเต็มที่แต่เรื่องของมลพิษอะ่ะเออมันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่คืออากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วคนเท่าคนแก่ก็ถึงมีอายุยืนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะไรอย่างเนี้ย เออนะฮะได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาเล่าต่อให้พวกเราได้ฟังกันคิงออฟโกด์เหมือนเดิมฮะสนุกเออฟังแล้วมันเพลินสนุกอ่ะมันยังมีอีกนม่เรื่องเลยคือเขาฝากัะมาหลเรื่องแล้วทนี้ผมผมก็จะอย่างเงี้ยค่อยคยหยิบมาทยอยเพราะว่าเราไม่มีเวลาแบบตั้งนานหายไปแล้วเขาฝากฝากวัด ติดติดติดค้างขาไว้ก็เลยมาที่จะสังเรื่องก็ <ภา S 2> ยาวหน่อยก็จะว่ากันนะพี่นะได้ดีฮะก็ะะผมว่าเป็นมันมันไม่ได้ยาวอะไรมากนะมันมันก็ได้ฟังเรื่องหนึ่งต่ออีกเรื่องหนึ่งก็ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันดีคุณคิง <ทะ S 1> เออนะครับแล้วก็ <ภา S 2> ขอคิดเดียวสิโทรศัพท์นิดหน่อย <ภา S 2> มันมีคอมเมนต์เกี่ยวว่าอันนี้เป็นอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้เป็นการด่าหรือว่าอะอืนะอันนี้ผมขอร้องว่าจะมีคอมเมนต์ประเภทปลุกกระดม ค่ะบางทีทําอะไรผิกพลาถึงไม่เปิดตัวไม่อะไรคือผมนเป็นมีผมนานแล้วคือแต่กระูเนาะผมว่าอย่าสนใจว่าผมทําอะไรดีกว่าหรืเป็นใครสนใจว่าผมทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์แกแผ่นดินม้างดีกว่าครับว่าทำอะไรเป็นประโยชน์แกศัสนาดีกว่าะคละไม่ต้องรู้เราเป็นใครอ่ะคือต้องบอกง่ายๆว่าคนเราเนี่ยคือเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวไม่เหมือนกันของแต่ละคน อ๋ออันนี้อันนี้เข้าใจผมก็จะมีบางอารมณ์คุณผู้ฟังคุณคิงปกติเลยคือผมก็จะมีอารมณ์ติดของผมอารมณ์แบบไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครไม่อยากเปิดตัวไม่อยากอะไรมีมัน ม, ม, นมีมันมีเรื่องปกติอยู่แล้วเอเพผล ม, มันมีนะพี่แจ๊ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าผมเคยทำบ้านดินแล้วผมประจาาทีนี้เด็กวัยรุ่นที่เขาอยู่ในบริเวณที่เราไปทำเขาบอกพี่อยู่ไหน อซึ S <S ่งเราไลฟ์สดฟังไอเหมือนมันเหมือนบิน๊กไลฟ์มาอะไระอย่างนี้เป็นรุ่มหนีเนี่ย ค, คผมก็บอกปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นไปเจอกันแล้วไปตีใน ง, งานกลุ<ผ>มอือมผมเลิกวัาถึงขนาดไม่ให้ผมไปเลยะอะไห <ผม S 1> อ, เ, อ, อ, อเด็กวัยรุ่มคนเด็กวัยรุ่นคนละกลุ่มกันไปเจอกันแล้วก็ไปตีกันแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคิงนะที่เกี่ยวเขาเลยไปด้วยเขาบอกว่าอืมไม่ทางเขาจะว่าทางไปก่อนะ แล้วงานตอนนั้นมันน่าจะเสร็จบ้านดินเนี่ยใหญ่กลายเป็นแบบงานมาล้มจริงผมเลยว่าไม่เอาดีกว่างั้นเราทำอะไรเนี่ยมผมเชื่อว่าประโยชน์มันก็คือประโยชน์สิ่งที่อยู่กับพันดินไปไหนไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งต้องเป็นประกับไม่ต้องสนว่าผมเป็นใครสนว่าผมทำอะไรที่มันเป็นกุศลหรือวิบวิ จะพิจารณประโยชน์หรือรอาพอแล้วถ้าไม่เด่นก็ไม่ต้องเดนเลยไม่ต้องไปผูกระดมอย่างนี้ใครอยากเปิดตัวก็อยากเปิดตัวใครไม่อยากเปิดตัวก็ฟังแค่เรื่องของเขาก็พอแล้วคุณผู้ฟังง่ายๆเลยครับนะฮะอ่ะได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคิงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาปิดท้ายกับ The Coast Radio นะขอบคุณเช่นกับขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันครับครับผมครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซั s สไ i b e c h anel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ